อยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างข่าวหน้ากลุ่ ง, <อ>งโดย<ม>ดัง <พบ S 2> ตริ <S S นร์ตอ น, นดาราเป็นตัวอย่างไม่ดีอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะดงจะดังแม้จะล้ม ฮ่าพวกตลาดทั้งไทยและเทศเนี่ยนับวันทําตัวเสริมเสียยิ่งดางยิ่งเละเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวการโชว์วิวตลอดจนการขายตัวแลกเงินเป็นล้านใครจะมีอิทธิพลกับสังคมแค่ไหนบางทีก็มีเรื่องของยุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันเช่นบางยุคกษัตริย์ใหญ่กว่าพราหมณ์ แต่บางยุครามก็ใหญ่กว่ากษัตริย์ทานองเดียวกับที่เราเห็นในยุคนี้ว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของบางาศาสนาก็ใหญ่พอๆกันหรือยิ่งกว่านักการเมืองหัวแถวเสอีกเช่นกันสมัยก่อนนักแสดงไม่มีเกียรติถูกมองว่าเป็นพวกเต้นกินรำกินทำให้ชาวบ้านหัวเราะสนุกไปวันๆต่อให้มีความสามารถแค่ไหนก็แสดงลีลาเข้าหูเข้าตาคนได้ไม่กี่สิบกี่ร้อย เพราะต้องแสดงสดสดแสดงครั้งหนึ่งดูได้ทีเดียวแถมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็เอาใหม่ให้ดีขึ้นไม่ได้แต่ปัจจุบันสารพัดเทคโนโลยีช่วยให้งานบันเทิงไร้ที่ติกับทั้งถ่ายทอดไปได้ทั่วโลกดูซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการอาจมีคนเป็นพันล้านที่ได้ดูดาราเด่นในโรงหนังหรือจากโทรทัศน์ซึ่งก็หมายถึง อาจมีคนเป็นพันล้านถูกครอบงำโดยใครคนหนึ่งที่หล่อหรือสวยใช้รัศมีจับตาแสดงเก่งและมีพลังสะกดชวนหลงติดน่าเอาแบบอย่างเป็นขวัญใจที่ผู้คนยอมซีโรราบบูชาสมัยนี้ดาราจึงมีอิทธิพลทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับมวลชนได้แล้วก็โกยเงินมหาศาลจากชื่อเสียงระดับมวลชนได้ ตำแหน่งดาราดังจึงเป็นโอกาสเฉพาะแห่งการสวยบุญของคนบุญหนักศัก์ใหญ่ฉะนั้นจึงมีน้อยคนที่รู้ว่าชีวิตในโลกของดาราดังเป็นอย่างไรการเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จต้องตีบทแตกทำให้คนดูเชื่อทำให้คนดูอินไปกับบทที่แสดงแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่า จะแสดงดีหรือตีบทแตกต้องแลกกับอะไรคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักด้วยซ้าว่าการแสดงดีก็คือการหลอกเก่งหรือกระทั่งสามารถกลายไปเป็นอีกคนสามารถพูดและทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นแม้แต่น้อยนอกจากนั้นการเป็นดารา คือการจำเป็นต้องเอาเนื้อตัวไปเบียดใกล้กับเพศตรงข้ามมากหน้าหลายตามีโอกาสเกิดความรู้สึกทางเพศได้มากกว่าคนทั่วไปหลายสิบหลายร้อยเท่าเพราะไม่ใช่แค่ใกล้แต่ต้องออกท่าออกทางกระตุ้นให้คนดูรู้สึกถึงอารมณ์พิศวาสว่าบวามไปด้วยตามธรรมชาติกรรมวิบากแล้วใครให้อะไรกับคนอื่นก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบคืนสู่ตน ผู้ให้กิเลสย่อมได้กิเลสยิ่งมีโอกาสกระตุ้นให้มหาชนเรือนล้านเกิดราคะโทสะโมหะถึงขีดสุดวิบากกรรมคงไม่ปล่อยให้ลอยนวลจิตต้องปั่นป่วนหมกมุ่นถืออารมณ์เป็นใหญ่ซึ่งเมื่อรวมออกมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจเลยว่าทำไมดาราถึงมีข่าวเช้าบ่อยคนในยุคบริโภคความบันเทิงต่างข้าวอย่างพวกเราตกที่นั่งลาบาก เพราะต้องฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่ควรฝากความหวังเด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมากับการรับรู้ข่าวข้าวของขวัญใจตนจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แคร์และขาดความรับผิดชอบเรื่องทางเพศแน่การฉีดวัคซีนสร้างผงคุ้มการอิทธิพลดาราให้ลูกหลานอย่างถูกต้องนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการเอาตัวเองเป็นอุปกรณ์การสอน ถ้าพ่อแม่ดีไม่มีอารมณ์ผันผวนไม่เกลี้ยวกราดไม่แต่งตัวยั่วตันหาซื่อกับลูกไม่หลอกลูกไม่เล่นละครกับลูกก็จะมีศักยภาพในการอธิบายให้ลูกแยกแยะได้ว่าโลกความจริงที่ไม่มั่วยังมีและดีกว่าโลกมายาที่ผู้กำกับจะเสกสรรให้ดารามั่วแค่ไหนก็ได้ทำชีวิตจริงของดาราให้เละเทะแค่ไหนก็ได้ด แม้จะล้มก็คิดจะคลานเมื่อจะซ่านกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นยังวังจะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คนกันไปก็หายกันไปห้นไทย ก <hertz diversity S 2> ็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื mm ่อใจมันเอาสยาย้อมทำทุกทันแต่เกี่ยวตะกายแต่เกี่ยวตะกาย